เราไม่เยาว์นิพนธายานสักหน่อยอ น, นี่ไหมเพราะว่าตลอดการเรียกรยกรมฐานญาตโยมพุทธบริษัททุกคนอย่าลืมเบื้องต้นแต่จริงจริงก็คือการรู้ลาไม่ใจเข้าย้าออกเป็นเรื่องใหญ่มากต้องอยากจิ่มลมหายใจเข้าย้าออกขณะใดที่รู้ลาไม่ใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นเป็นสมาธิานานาปานุนสติ ใภาวนาก็ใช้คำภาวนาควบคู่กันไปถ้ารู้ถ้าลมหายใจเข้าด้วยภาวนาด้วยรู้ลมหายใจออกด้วยภาวนาด้วยอย่างนี้ถือว่ามีสมาธิถ้าในคำภาวนาและไม่าใจเข้าออกแต่ส่วนทั้งทางจริงๆเรื่องบรรดาแต่พุทธบริษัทจะริมไม่ได้เนื่องคือศีลการเจินสมาธิศีลต้องบริสุทธ์ เอาสินไม่บริสุทธิ์ก็เศราหมองฉะนั้นเพื่อความมั่งใจวุฒิดาตัพุทิบริษัทวันทั้งวันเราอาจจะพลาดตั้งในสินตั้งก็ได้เป็นของธรรมดาฉะนั้นมางก่อนที่จะเจอเจรอาาในวิหารสมาทานสินแล้วก่อนโดยเพราะใหญ่นิ่งอยู่ที่บ้านก็ใช้สมาทานสินห้าเป็นสำคัญ เมื่อสมาทานสิ้นแล้วจิตตั้งใจพละในสิ้นต่อเนื่องไปก็ตั้งใจเดินสมาธิสำหรับดูลมให้ใจเข้าออกก็ดีคำนูนนาตามก็ดีอันนี้เป็นสมถโทนาสำหรับสมถโทนาที่บรรดาญาโยมพุทธริษัทจะทิ้งไม่ได้เพราะเราขาดสมถโทนาเรื่องปัญนาญาจะไม่ปรากฏ ก็ว่าอุปสรรายานตัวใช้ปัญญาอย่างเดียวถ้าใช้ปัญญาแด่อย่างเดียวไม่มีสมาธิกลุ่มสมถะคือสมาธิอารมณ์จิตก็จะไม่สรงตัวเมื่ะอารมณ์จิตไม่ทรงตัวปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดใช้ปัจบันายาก็ไม่มีผลโดยเพราะอย่างยิ่งโวมัดาจะพุทธวิสัชจน์อย่าลืมว่าการเจริญสมาน ต้องประกอบบริเหตสามเรืกายคืนหนึ่งสิ้นโดยสุดสองสมาธิตั้งมั่นแต่จไม่สนใจอันวอนแล้วเราสามใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายสำหรับวันนี้จะขอนำมีปัญนายันเก้าธรรมาแนะนำบรรดาท่านชุดบริสัทธ์จะมาอย่างเดียวแห่เก้าอย่างละเศษ พอยืนยันรับรอว่ามีผลแน่นอนเก้าอย่างพอยายพูดเสร็จตอนหลับไปไหลตื่นรูปปัจจัยยายก็มีบทเดียวคือบทหลักใช่ไหมรูปปจจัยยายเก้าบทแรกนี่ก่อนายายดนูตำราตัวนา้ชื่ อ, อว่าอะไรไม่ชื่อออกปตวิดชื่อออกเป็นกัรเปนตัตวผิยางแรกทัเร อุทยรญยาลุปัสนายานิอุทยรญาลุปัศนาย า, น า, ยานใน่เชื่อภาษาบาลีถ้าภาษาไทยก็แปลว่าปีชากูรู้ปีชาได้จากการรู้รอบในรู้รอบหรือมีความรู้สึกหรือมีความเห็นในความเกิดหรืความดับก็มค ว, วามว่าเราใช้การพิจารณาความเกิดกับความดับตับอบเอง เอาปัญญาเข้าไปใช้ว่าการเกิดเขาคนแล้วเมื่อมีความเกิดก็เลเพื่อนตนก็มีความดับในสุดจะเป็นคนก็ตามเป็นสัตว์ก็ตามเป็นแลบุใต้ก็ตามเหมือนกันหมดคนเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ในที่สุดก็ตายสัตว์เกิดขึ้นแล้วก็แก่ในที่สุดก็ตาย บรรดาวัตถุธาธตุพืชปัญญาหายกัต่างเกิดเคลื่อนไหลในสุก็ตายเหมือนกันในความตายและกายเคลื่อนไปไนี้ไม่มีใดคนไม่มีใดใจไม่มีใดสิ่งไม่มีแต่พระวัตถุดยโลกมีทั้เทวาดววาและสมเทวดาก็ดับสมก็ดับเหมือนกันเทวาดาก็ดีนางฟ้าสดีไม่เกิดตกสวรรค์ชนในยุทธนาฏนา เมื่อหมดด้วยเมฆหนาบารมีก็ดับจิตในจิเตเป็นคนด้างลอยลงเป็นนรกด่างเป็นเศษบ้างเป็ร่างกายบ้างเป็นสะเทืนบ้างอนก็เช่นเดียวกันจะนั้นที่เียว่าความเกิดลงมนเมฆเบื้องต้นและตามดับที่สุดมีเบ่งกันหมด แ, แต่ว่ัฏจักนี้ คือในวัตตะคือการวนวนไปวนมาข้าโลก3คือมรรคสุโลกเดียวโลกแต่คือมโ ล, โ, ล โ, ลลโลกไม่มีการสรงตัวเราต้องคิดต่อไปนิดหนึ่งการใช้วิปัสนายานบรรดาญาโยมพุทธบริษัทธ์จะทิ้งอริยสัจไม่ได้ก็ต้องคิดว่ากายเกิดขึ้มนมาดบิกสุขเบิกทุกข์ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาอย่างเดียวนิดเดียวก็จะทราบ ว่าการเกิดก็คนเป็น้วยความทุกข์ขนาดที่เกิดในคันในทุกอย่างอะไรจะมาจะไม่ปวดเราเป็นเด็กเป็นทุกขนาดไหนก็จะไม่ตายเอาไปแค่โตแล้วโตแล้วตื่นได้นหมเช้าแล้วก็พบแต่ความทุกข์ไล่ความทุกข์ตัวนี้จะพบเป็นยันสลอดวันเดียว่อสลับใหม่นั่นคือเมอื่อเกิดขึ้นมบพ้นตายมาแล้วอันดับแรกธุรกิจ ไปห้องน้ําบ้างห้องส่วนบ้างปวดอุจจาระปัสาวะไารการขึ้การปวดอุจจาระภัสสาวะก็เป็นเป็นความทุกข์จะต้องล้างหน้าหน้าไม่ล้างก็ลำคาญตัวลงคาไม่ถูอความทุกข์ต่อมาความหิวความกระหายเกิดขึ้นถึงเวลาจะต้องรับทานอาหารถ้าไม่รับทานอาหารตามปกติความหิวเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ ตามหลายยถาทานอาหารนั้นก็กลายรุดเป็นยิบเป็นความเป็นอยู่เราต้องมีกินมีใช้ก็องทำมาให้กินาการประกอบอาชีพทุกอย่างมีความหนุยยากก็ เ, เป็นเรื่องความทุกข์ความป่วยไข้เกินใบเกินขึ้นก็เป็นความทุกข์ความรักใครขอรักขอชอบใจมีขึ้นก็เป็นความทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นความทุกข์ ก็สรุปแล้วว่ากายเกิดเป็นของไม่ดีขึ้นชื่อว่าร่างกายทําทําภาษาบดีก็เรียกว่าสังขารขึ้นเยอะ่ากายเกิดโครงร่างกายไม่มีอะไรดีเลยมันเป็นไปในทุกต่อบเวลาที่มาที่สุดเราโดยกรอบสัามาชีวะหาเลูงชีพโดยชอบธรรมก็ตามสร้างถินนิมากไมม้อยเท่าไรก็ตามคนที่รักคนที่ทะเลาะมีมากน้อยเท่าไรก็ตามเราต้องพักสร้างใจกัน จากการแม่นอนที่สุดก็คือความตายกัมาถึงจังนั้นออบระวุทเจ้าจึงสอนไปว่าการเกิดเป็นของไม่ดีต่างกายเกิดเป็นคู่ก็นความดับเมื่อข้อนี้ที่เขาเน่นนั่งก็เกิดดับเกิดดับเป็นรูปปัจจยานข้อตนเราต้อเจริญนะจำไว้ว่าที่เขาสนว่าเกิดดับเกิดดับเะคือเป็นว่ารูปปัจจัยยานข้อตนคระองค์อุทยปยายนรือปัจจายายาน ถ้าถามว่าทางร่างกายเกิดด้วยการดับเป็นของดีไหมก็ต้องตอบว่าเปของดีจะได้ไม่ปรมะมาทชีวิตถ้าเรามีจิตคิดอย่างหนึ่งถ้าบารมีถึงมัเกี่ยวกับบารมีเหมือนกันถ้าบารมีเรามีถึงพอทุกวนก็เห็น ว, ว่ากายเกิดในวัฏจัคือเกิดเป็นมนุษย์เกิดดีเป็นเท ว, วดาเล่นนางฟ้าก็าาตามเด็นธรรมดาไม่มีอะไรส่งตัว ไม่ความไม่มีที่ไหนอยู่ตลอดการตลรอดสมัยในที่สุดต้องดับตัคือตายในกันและในช่วงที่เป็นอยู่ก็เต็มเรื่องความทุกข์อัญญาเกิดอีกเหมือนว่ากายเกิดตัรู้สึกเป็นมนุษย์เป็นเดรัจนะแล้ต้องทุกข์อย่างนี้ต้องเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่ของดีก็ต้องหาแดงที่ไม่เคลื่อนต่อไปนั่นคือมิตราน ยังพระโมกขาลายกับดรจสารีวงศ์มีความรู้สึกตามนี้สมัยเมื่อท่านยังอยู่ที่บ้านยังเป็นลูกของพ่อคุองแม่อยู่ที่บ้านแต่ความจริงท่าเปลแห่งก็ยังเป็นลูกของพ่อคุณแม่นะแต่ว่ามาอยู่วัดแล้วตอนนั้นทั้งสองท่านเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีบริวารคนละ500คน แล้วก็มียานรณ์ายหนึ่งก็มี ม, า 500, มา้าห้าไ้อม้าายหนึ่งก็มีรถหาร้อยรถถ้าอยาไปที่ไหนก็มีบริวารห้าร้อยเครื่องแวดล้อมแต่ถึงถึงวันมาวันศุกร์ของของบ้านอย่ า, างพวเราถือว่าเ ป, ป, ป, ป็วันศุกร์าำคัญในเมืองตุนนายไปจาปีเกิดขึ้นท่านก็ไปดูพาบริวารไปดูนั่นเรียกว่าคนสองกลุ่มแค่คนสองกลุ่มก็เขาเข้าไปพันกับสองคน เมื่อดูมรสพเป็นที่ชอบใจสนุกนันก็ให้รางวัลถึงตอนเศร้าโศกก็แสดงความตลดใจแต่ก็พอ ป, ปีสุดท้ายเมื่อพุทธเจ้าสมรุ้อวิเศษสมาธิโพธิญาณแล้วเวลานั่นองค์สมเด็จพระบัณฑิบแก้วทรงประทับอยู่ที่พระเวรวันมหาวิหารที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นการอยู่ครั้งแรกถึงบรรพุทธเจ้าสมรูอวิเศษสมาธาิโพธิญาณ เข้าไปดีกรุงราชเอคือเพราะว่าพระเจ้าพิมิสานเป็นเพื่อนกันเรียนหนังสือมาด้วยกันในเมื่อพระเจ้าเสด็จออกมาหาพินเนสเตกลมก็ผ่านกรงราชือพระเจ้าพิมิสานทราบเข้าก็ออกไปหาแล้วก็ชวนคิดว่าจะมีการแตกคอกันในเมินกรุงรินาพัฒน์จึงเชิญให้ศึกและจะแบ่งทรัพย์สมบัติแบ่งอำนาจให้ครึ่งหนึ่ง พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามหาราชาขอถวายพระปรพระมหารพระพิกษราชาสมภารี่ได้ถายทอดออกมาอย่างนี้ความจริงไม่ได้แตะขอกับใครไม่ได้โกรธใครแต่เห็นว่าการเกิดวันเวียนว่ายตายเกิดในวันในวัฏฏะเต็มด้วยความทุกข์เราต้องการาแสวงหาพระโพธิญาณคือมรรอภิเศสมาธึโพธิญาณ เมื่อพระเจ้าพิมีสารทราบตามนั้นแล้วก็กราบทูลบอกว่าถ้าบรรลุแล้วคอยโปรดพระองค์ก่อนเจนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระชินีวนรมงคลอเวเสกสมมาตัมโพธิญาณแล้วก็เดินกลับจะเข้ามากรุงและจะคืบมา น, นครก็ผ่านหลายจุดเป็นนั้นว่าจะกว่าจะเข้ามาถึงก็ได้พระหัน์ประมาณร้อยองค์หลายร้อยองค์เดียก่อนเจ้ดินก็ปรมาถึงพันคนพันกว่าพันกว่า ก็ได้ปฏิวัยกว่าจะเข้ามาถึงเข้ามาถึงแล้วพระเจ้าพิณสายก็ให้พักในพระเวทุวันถวายพระเวฬุวันเป็นบัดแรกในพุทธศาสนาในขณะนั้นเองปรากฏว่าท่านโมคลาภาษาริบทไปดูมโหสพ ป, ประจำปีแต่วันนี้ไม่เหมือนกับปีก่อนๆในวันก่อนๆที่โมโหสพแดงอยู่ทั้งสองคนไม่มีใครหัวเราะ แล้วก็ไม่มีการแสดงสลดใจไม่มีการให้รางวัลไม่มีการตกเบื่อเฉยตั้งสองท่านคนอื่นจะหัวเราะแบบไหนก็เชิญหัวเราะไปฉันไม่หัวเราะไม่ใช่โกรธใครนะเวลาพระสถแสดงเรื่องการเศร้าโศกเคยสลดใจก็เฉยไม่สลดใจพอมโหพุทสดแสดงเสร็จท่านบรณฑสาริบุตรจึงถามโมโหกุลาว่าโกดิตฐะ พระคลาทนิโกริตถามว่าทําไมวันนี้จึงเฉยขึมไม่สนุกสนานไม่แสดงความการสลดใจท่านภาษาท่านพระโคลาเขถามภาษารีบุตรอุปติสตะเธอก็เช่นเดียวกันท่านทั้งสองาถามกันแล้วก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรก็ต่างคนก็ต่างบอกว่าเราสลดใจอย่างยิ่งว่าคนที่แสดงมารสพ ก, ก็ดีคนดูก็ดีทั้งนี้ทั้งหมด ไม่มีใครเหลือไม่ถึงร้อยปีต่างคนต่างตายหมดฉะนั้นยังมีการสรดใจคิดว่าการเกิดอย่างนี้เป็นของไม่ดีแต่ความเกิดเจ้าตายมีอยู่ก็ต้องมีทำในโลกนี้มีของคู่กันเช่นมีมืดแล้วก็ต้องมีสว่างมีร้อนก็ต้องมีเย็นอย่างนี้เป็นต้น เป็นของรูว ก, กันในเมื่อเราเกิดมาเพื่อตายทำที่ทําบุคคลตายมีอยู่ก็ทำที่ทําบุคคลไม่ตายต้องมีอยู่ mm. เป็นเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าโมกขธรรมคือเรียกว่าโมกขธรรมธรรเป็นเครื่องค้นทั้งสองท่านกระปรึกษากันว่าถ้าอย่างนั้นเราไปแสวงหาโมกขธรรมทําเป็นเครื่องค้นจากความตายกันดีกว่าเมื่อทั้งสองคนตกลงแล้วก็แบ่งบริวารกันคนคละครึ่งเอาไปคนละสอง เลยฝ่ายละสองให้นาําม้านํารถกลับบ้านอีกคนละ250เป็นบริวาลห้าร้อยคนก็ตามกันไปสู่สำนักสัญชัยปริพาชกเวลานั้นดั้งสองคนยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเพิ่มมาใหม่สัญชัยบริพาชกตั้งสำนักอยู่นานา ก, ก็กลู่มไม่ไกลกับพระเจ้านั่นเองเมื่อเข้าไปสู่สำนักสัญชัยบริพาชกทั้งสองท่านเป็นลูกมหาเศรษฐี ลาบจักระก็เกิดขึ้นในสันักสันชัยปริพาชกมากสัญชัยปริพายชกกดชอบเมื่อเข้าไปแล้วก็ถามไต่ถามดูก็ทราบว่าสันนักก็สันชัยปริพาชกสอนโมกขธรรมได้คําว่าโมกขธรรมแปล ว, ว่าธรรมไปเครื่องพน้นให้าาถามว่าพ้นอะไรก็คือพ้นจากความตายแต่ในที่สุดท่านทั้งสององค์นี่เก่งมากเรียนเก่งศึกษาเก่งปฏิบัติก็เก่ง อยู่ไม่กี่วันก็ปฏิบัติจบหลักสูตรของสัญชัยปริพายชกเมื่อจบหลักสูตรแรกก็เจนนายหรือว่าธรรมะที่สัญชัยรฤทายกสอนให้ปฏิบัติที่มันไม่ใช่เครื่องพ้นจากความตายยังอยู่ภายใต้อำนาจของความตายจิงฐานสัญชัยปริพายชกธรรมะที่ทา่านเจริงสอนให้ปฏิบัติเตยงเครื่องพ้นจากความตายอย่างอื่นมีไหม ท่านสัญชัยก็ตอบว่าเราบทคุ้งแค่นี้ทำเท่านี้ก็พ้นจากความตายได้แล้วเท่าสองท่านในฐานะที่บป็นคนมีปัญญามีบารมีเต็มก็ไม่คายคายย้านวิธงไงก็อยู่ไปเขาให้เป็นครูสอนก็สอนไปแต่สองคนก็มาปรึกษากันว่าถ้าใครได้ทำเป็นเครื่องพ้นเครืออดิมโมกธรรมใครได้ก่อนอีกคนหนึ่งต้องบอกกันนะ ในที่สุดวันหนึ่งพระสารีบทกุปติส ะ, ะกุปติสะก็ได้แก่ภาษาลีบ ท, ท่านสารีบทเข า, าเรียกสาลีบทติดขวาท่านพระสารีบุตรเวลานั้นยังไม่เป็นพระเป็นปฏิภาชกจะเข้าไปในเมืองก็พอดีพระอสัชชิอรหันรุ่นแรกสาวกของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาบินาบาตในเมืองพอดี ท่านภาษาลิบทเห็นเข้าก็แปลกใจว่าสมณาองนี้ลีลาการเดินก็เต็มไปด้วยความสำรวมการทอดสายตาก็เต็มในความสำรว ม, ร ม, น ค, ว ม, รวมคนจะมีธรรมะเป็นเครื่องคนทุกแน่แต่จะว่าถ้าราจถามท่านเวลาที่เข้าไปวินาัยาก็เป็นการไม่สมควรรอท่านออกกลับมาดีกว่าริงคอยไม่เดินไปแล้วนั่งตรงนั้นคอยพระสจิออกมา เมื่อพระอาาัสชิเข้าไปบิณนดาบได้ค่าอาหารพอตามท้องคนที่จะบ้านเขให้ก็เดินกลับออกมาท่านบรรษาดีหมดก็เข้าไปยกมือไหว้ถามเรงว่าพระกุณเจ้าขอรับท่านเป็นสาวกของไข่ชอบใจธรรมะงไข่ใครเป็นศาสดาสอนของท่านธรรมะศาสนาพระดาเปรมครูท่านพระอัสชิมองปั๊บเดียวท่านเป็นพระราหารันไปสมิธา ย, ยาน มองผับเดียวก็ทราบได้เลยว่าคนนี้มีปัญญามากเขาถามเราเราก็อาจจะตอบแต่เราจะไม่ตอบกว้างกวางนักเพราะคนนี้เป็นคนมีปัญญาดีไม่ดีก็ยะไล่ลเราเข้า้เข้ามุมไปในวรชาการที่สองก็เป็นปฏิภาณชกไม่ใช่เป็นคนศาสนาเดียวกันคนศาสนา <c oughs> ด้วยบัญญาที่ยักล่าวาว่ามาโพบริษัดูก่อนบูโเจร เราเป็นสาวกของพระสมณโคดมเราชอบใจธรรมะของท่านปฏิบัติตามธรรมะของท่านพระสารีบุตรก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดแสดงธรรมะที่พระสมณโคดมสอนหน่อยได้ไหมพระอาสทิศก็บอกว่าความจริงน้าท่านสอนกว้างขวางได้อธิบายได้แต่ว่าเห็นว่าคนมีปัญญ า, ยา ม, มากนี่เป็นการหนึ่งคนศาสนาที่เก่าบอกว่าการแสดงธรรมแสดงได้ แต่ว่าให้แสดงโดยพิสดานะไม่ได้เพราะเราเป็นคนบวชนใหม่ในพระศาสนาถ้าแสดงโดยยอดแสดงได้พระสารีบุตรก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการฟังคาอธิบายมากต้องการคำย่อๆพระสัชชีก็ตรงกล่าวว่าเยธรรมมาเหตุปัพวาเตสังเหตุองตถานโตโยนิ โ, ย โ, นโรโทจาอวังวาตีมหาสวนโรค์จาได้ไมฉันจาได้ นี่ฉ <ranch iser> <N> uh ันจะพูดชาเป็นภาษาแขกงองเร็ววันนี้นะอืมแปลว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของทำนั้นแในความดับของทำนั้นพระมหาสมณะตรัสอย่างนี้ที่กล่าวอย่างนี้ก็เป็นอริยสัจแต่ย่ออาริยสัจแต่ย่อกล่าวแค่นี้ ท่านภาษาริบด์ฟังจบเพียงเท่านี้บรรดาญายโยพุทธบริษัทในฐานะที่ท่านเป็นคนมีบา ร, รมีเต็มและก็บำเพ็ญบารมีมาเพื่อเป็นอกักรสาวกทั้งสององค์ภาษาดิบด์บำเป็นบารมีอธิษฐานเพื่อเป็นอกักรสาวกเบื้องขวาภูมอ ก, กลาอธิษฐานไม่เพื่อเป็นอกักษรสาวกเบื้องซ้ายเมื่อฟังจบปรากฏว่าภาษาดิบดบรรลุ ป, ปโสดาบันแต่ท่านแบบคุณชยัยนรงค์บรรลุปโสดาปฏิปัน ตะ บ, บันไงว่าได้เลยหินห้าไม่ยากเลยพระรูปโสดาบันยังถามว่าเวลานี้พระศาสดาของเราเลี้ยงของเราเลยเวลานี้สัตว์พระศาสดาคือครูของเราอยู่ที่ไหนไพอฟังเท่านั้นท่านรู้ว่าโสดาบันก็ถือว่าพระเจ้าเป็นครูท่าน ท, าทันทีข้าชีก็บอกว่าเวลานี้อยู่ที่โมบีดุวันมหาวิหาร ถ้าสารีบทึงบอกว่าพระคุณเจ้าไปก่อนผมจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งจะต้องไปบอกเพื่อนกันก่อนแล้วจะตามไปทีหลังพระอาทิก็หลีกไปพระสารีบทก็กลับเข้าสำนักพระโมคกัลลาเห็นเข้าเห็นหน้าตาแจ่มใสก็เดาได้เลยว่าวันนี้สารีบทของได้ทำมาคือโมฆะธรรมมาแล้วจิตใจชุ่มชื่นนาจาแจ่มใสนะยังถามว่าสารีบตร เจอโมกะธรรมมาแล้วหรือหน้าตาแจ่มใสามากพระสารีบุตรก็บอกว่าพบแล้วก็าจันถามว่าในทุกบ่โมฆะธรรมไ่ยังไงพระสารีบุตรก็บอกย่ อ, ยอๆว่าเทวเจตมาหิปปาทุปภาวะเตสังเหตุตรงต์ฐานก็โตยโยนิโรโทจ่าเอวังวาธีมหาสวโนกาวเพียงเท่านี้จบพระโมคคลาบรรลุปโสดาบันแปลกนะสู้เราไม่ได้นะ ฉันอ่านพระไตรปิฎกเมื่อกี่ปีมันไม่ได้ทุกทีเลยอ่านมากไปท่านฟังน้อยท่านเลยได้ใช่ไหมก็ลงว่าว่าทั้งสองคนเมื่อมรุษโสดาบันแล้วก็ต่างคนต่างเวลาพระสันชัยปริพาชกพาบริษัทเวลาได้ชวนสันชัยปริพาชกให้ไปสนักวิทธเจ้าก็บอกว่าธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยมันไม่ใช่โมกขธรรม ก็กรทมทำเป็นเครื่องพ้นเวลานี้พิภาษวนาโคดมสอนแล้วเราได้มาแล้ว <c oughs> ชวนไปอยู่ด้วยกันสัญชัยปริพาโชคกขาเป็นคณาจารย์ใหญ่เขาก็ถือตัวงเขาเป็นคณาจารย์เขามายอมลงด้วยสัญชัยปริพาโชกยิ่งถามว่าในโลกนี้คนโง่มากหรือคนฉลาดมากแน่ภ า, าษานิบุตรก็บอกว่าในโลกนี้คนในคนโง่มากกว่าคนฉลาดคนฉลาดน้อยกว่าสัญชัยปริพาโชคหวังลาบ ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคนจะหลัดจงไปสนาคุปตะสำนักโขดองคนโง่ดีอกับเราท่านถือว่าคนโง่มากจะมีราชกาจละมากไหมเอาคนโง่ อ, อย่างเดียวเป็นนันว่าท่านดังสองก็พาบริวารพันคนไปสำนักพระพุทธเจา้าพอไปถึงแล้วอ ง, งเสด็จเร้าทีบแก้วก็ทรงเทศเทศตอนนี้เทศไปยังไงจะไม่อธิบายฟังเวลาเรียนน้อยนะทรงเทศจบ พอพระพุทธเจ้าเชิจบปฎิวานพันคนมรุอรหัน์หมดนี่นก็เพิ่งฟังนะาหรับพระโมกขลาภาษาดิบยังเป็นประ ส, สดาบันต่อไปเห็นไหมต่อมาพระโมกขลาบำเพ็ญทำมาอีกเจ็ดวันมรลุอรหันพระโมกข์ภาษาดิบทอีกสิบห้าวันไปนอรหันต่อมาพระก็ถามว่าพระโมกขลาเป็นภาษาดิบท บำเพ็ญมาบารมีมาเพื่อเป็นอังกัสาวกทำไมจะไม่รู้อรหันต์ที่หลังบริวารเป็นคนที่มีปัญญามากคนยจะรู้ อ, อรหันต์ก่อนสมเด็จพระจินนวรนยนตร์ทรงตรัสว่าพิกเวดูก่อนวิสุทธังหลายตามธรรมดาพระราชาจะเสด็จไปไหนต้องไปทีหลังบริวารไปก่อนชั้นใดพิาาโคบายะเพวกอขลังลายภาษาที่บุตราากราา็เช่นเดียวกันเป็นคนที่มีปัญญามากคิดมาก ไม่เหมือนบริวารบริวารก็ไม่คิดมากฟังจับเชื่อตัดสินใจไปเลยแต่โมกขลาประสัยดีบุตงใช้ปัญญาไขคนก่อนยมลุกทีหลังก็รวมความว่าการจิจาว่าเกิดดับเกิดดับปัรดาเทพุทธบริษัทก็ดูตัวอย่างพระโมกขลาประสัยดีบุตรที่จะมีความรู้สึกว่าคนที่แสดงมโรสพก็ดีคนดูมโหสพก็ดีแม้แต่เราจะสองคนก็ตามที อีกไม่ถึงร้อยปีต่างคนต่างตายหมดแคนี้ธรรมที่ทําบุคคลตายได้มีอยู่ต้องก็ต้องมีคู่กันธรรมที่ทําให้คนไม่ตายต้องมี <c oughs> นั่นคือโมกะธรรมทํามเป็นเครื่องพ้นการพิจารณาว่าเกิดว่าดับถ้าพิจารณาแค่แค่นี้มันก็จอดเหมืกันก็ต้องเข้าไปหาอริยสัจคือตัวทุกขณะใดที่ทรงตัวอยู่ขณะนั้นมันทุกข์ถ้าถามว่าอะไรเกิดอะไรดับ ไปตอนแรกคิดว่าร่างกายก่อนก็แล้วกันร่างกายมันเกิดขึ้นมาได้มันก็ดับไปได้แต่พูดทั้งอารมณ์มันจะยุง่งตอนนี้การหนีความเกิดและความดับเบื้องต้นจะทําไงก็ต้องดูตัวอย่างพระมุคคลาในภาษานี่ปุ่นเพื่อจับหาทางตัดสัญญาณสามให้ได้ความจริงพระโสดาบันไม่มีอะไรหนักหรือ ว, ว่าอันตรานะก็มีแค่สัญญาณสามคือตัดสกายทิฐิ หนึ่งสองวิจิตรฉาสามธิระปตาปรามาช ก, ก็มีเท่านี้เองสกรรักการิะติถิปโสดาบัญญัติกิทาคามีใช้ปัญญาเล็กน้อยใช้สมาธิเล็กน้อยพระเจ้าว่าอย่างนั้นแต่มีความรู้สึกว่าชีวิตที้ต้องตายอา ญ, ญาโยมพระธวริสัทมีความรู้สึกว่าเราต้องตายอย่างนี้ มั่นใจว่าเราต้องตายแน่จะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายยุน้อยตา ย, ยุมากมันก็ต้องตายเชื่อว่าความตายมีอยู่อย่างนี้ถือว่ามีปัญญาเบื้องต้นเป็นปัญญาของพระโสดาบันพระสีธาคามีในประการในี้สองให้ใช้ปัญญาต่อไปพิจารณาความดีพระเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ สำหรับพระสงฆ์ในขวเป็นพระอริยเจ้าพระปกติสงอย่างมากก็ดีมั่งบางทีก็พลาดเยอะๆก็มีเอาพระอริยะที่แน่นอนคือดูพระพุทธเจ้าก็ดีพระธทำคำสอนโลกก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีคนยอมรับลับถือไหมไม่ต้องใช้ปัญญาป <c oughs> ัญญาที่ต้องใช้ก็ไม่ขอแนะนําต่างคนต่างรู้เห็นว่าพระพุทธเจ้าดียอมรับนับถือพระเจ้าคือไม่สงสัยในท่าน พระธรามคำส อ, สอนพระพุทธเจ้าดียอมรับพระผีมาทำปฏิบัติตามไม่สงสัยในคําสอนพระอริยสงด์ดียอมรับนับถือไม่สงสัยในความดีขอท่านเพียงแค่นี้ถือว่าตัดสัญญาตัวที่สองได้แล้วใกล้ความเป็นระโสดาบันขึ้นมาตัวที่หนึ่งมีความรู้สึกไม่ต้องตายตัวที่สองไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ยอมรับนักถือด้วยความจริงใจ ตัดแสงย่อยข้อดีสาคือศิลปะปรามาตตั้งใจรักษาสินเอาสินห้าบริการมรสดาบันตั้งใจตัดสินห้าโดยคร่งครัดว่าสินห้าบริการนี้เราจะตัดให้เด็กขาดจะไม่ยอมละเมิดถ้าสามารถทรงสินห้าได้ทั้งหมดแสดงว่าทรงความเป็นปรสดาบันได้แล้วเ mm hmm. ท่านี้เองนะบรรดาญาโยมพุทธริษัทนะไม่มีอะไรหนักถ้าถามว่าปรสดาบรนกับเศรษฐาคามี เป็นพระ อ, อริยเจ้าทิ่ปฏิบัติง่ายๆโดยใช้อนุสติอย่างเดียวคือนึกถึงนึกไม่ลืมความตายให้ความตายนี่เราไม่ต้องไปนั่งนึกกันทั้งวันทั้งคืนนึกเกิดเฉพาะเวลาตื่นเมาตื่นมาปั๊บคิดว่าจะนนี้อาจจะตายก็ได้เราไม่ประมาทแต่ชีวิตก็จะหลับก็คิดว่าการหลับไม่ทันจะตื่นอาจจะตายก็ได้เราไม่ประมาทชีวิตจิตตั้งยอมรับความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าประธรรมาพระอริยสอ์ไว้ การลงอบัยภูมิการนิยอมรับพระถวัพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีพระธัรมก็ดีพระ อ, อริยสงฆ์ก็ดีอันนี้ไม่ลงนรกขอยืนยันว่าไม่ลงกันแน่แล้วต่อไปก็นํากําแพงเข้ามากั้นนบัยภูมิไม่ลงกันต่อไปนั่นคือมีสิบห้าบริสุทธิ์บุคคลใดถ้าเป็นมรโสดาบันแล้วบุคคลนั้นถึงกล่าวว่าบาปเก่าๆที่มีมาแล้วเท่าไรทั้งหมดจะไม่ปลายกดไล้ผลกับท่านทั้งหลายได้เลย ขึ้นเชื่อว่าบเยภูมิทั้งสี่สรการจะไม่มีกระแทงคือบรโสดะคือสรกเปรศุรกายสติฉันเป็ น, นว่าท่านไม่ต้องตกรอบยภูอและบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดพอดีท่านขอเสอ น, น้ว่าขณบท่านเรินกรรมฐานท่าใหม่นะให้รู้ลมให้ใจเข้าออกภาวนาพุทโธเวลาให้ใจเข้านพุฒนา ใ, ใจออกพุทโธ ถ้าญาติโยมที่มาจากที่อื่นคล่องตัวมาแล้วก็จงอย่าเปลี่ยนเคยคล่องแบบไหนปฏิบัติตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนสำหรับท่านผู้เก่าคล่องตัวแล้วก็ปฏิบัติตามวิทยาสัยตอนนี้ไปขุนาญาติโยมพระตบาลสังหลายตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานเป็นกรรมฐาน <c oughs> โยมโซมภะกวาลังสมาสมุทโทร ข้าโตเยนาภะคะวา a ตาธรมโมสุปฏิปันโนยัติภคะวายโตสาวะกะสังโฆสุปฏิปันโนยัติภะคะวายโตสาวะกะสังโฆยังภะคะวันตังชาธรรมชาสังขังชาเมยังภะคะวันตังา อินเลหิเศคารเลหิยะธาระหงอรุปติหิอะภิปูทิยามา ชโนพันตกวาสุจีระปนิพุโตปโนทันเตะพวาสุจีระปนิพุโตปมาชนตาลูกัมบมานัสสานากัมบมานัสสิสกรีทุกขตปนายกาลภูตริันหาตุ ตังหิตยะสุขายะอะระหังตัมมาสัมปุโตภะคะวันอะระสัมปุโตภะคะวันตังอภิวาเดมีผู้ทงภะคะวันอภิวาติเจวะฆาตุภะคะวันธรมโม อมังนะมสามิตูปาิปโนภะกวัโตสาวกสังโฆทโนภะกวัตโตสาวกสังโฆชังคังนะมามิตอนนี้ไปคุณนดายาโยทั้งหมดตั้งใจสมาทานชิ้นแป นโมตัสสะพระครูวัตุอรหัตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะะคตรหตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะะคตรหตสัมมาสัมพุทธะ นางข้าชามีธรังสระนางข้าชามีกงระนังขชาชามี คุติยมปีพุทธังเซระนังคชามีคุติยมปีพุทธังเซระนังคชามีคุติยมปีธรรมเซระนังคชามีคุติยมปีธรรมเซระนังคชามีคุติยมปีสังขังเสระนังคชามีคุติยมปีพุทธังเซระนังคชามี ชามิยปทำริญชาติยำปีธรมมังสระนังชาาิยปธมัง อาติยมปีสังฆเซระนังหะชามิวานาติปาตาวีระมณีสิคาวะทังสมาจยามิ นาตนาวีรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามีนาตนาธานาวระมณีสิกขาปัตังสมาทยามีธวีมสิาปัตัสมามพระมเจยวระมณีสิกขาปัตังสมาทยามี มูสาวาทวีระมณีส <pod cast> ิกขาบัตังสมาทียามีมูสาวาวรามณีสิกขาบังสมายามีราเมยมชาปมาตธานาวีรัมณีสิกขาบัังสมาธียามี ภราเวราห์มะจ่าปะมาตตาณาเวราเมณีสิกขาปัังสมาธียามิการูชนาวีระมณีสิขาปัังสมาธียามิการภชนาวระมณีสิขาปัังสมาธียามินะเจคีตวทิตวิสุขทัศนา มาลาคันตวิลีปนาธารณามันดานาิภูสัทานาวีระมณีสิกขาพุทธังสมาธียมี <c oughs> <c oughs> เจสยนามหาสยนาวีระมณีสิกาวัตังสมาทียามีมีมานิอัตตาสิกาบัตานิสีเลนะสุขติัญตีสีเลนะภูคาสมบทาน สีเล น, นันิพุติันติตัจมาสีลังวิโสตยีตอนนี้ไปพนยยุนาญาติหมดวันโมสามจบพร้อมกันพืสมาทานเป็นกรรมฐ า, าน เจ้าผู้มีพระพาเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายขอไหวชีวิตแด่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอรัตนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระไตยเจกพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ท um> ั้งหลายผู้บายฌานทั้งหลายที่สื่อกันมามีหลวงพ่อปานวัดบานโคเป็นที่สุด ขอได้โปรโดยกจิ๋งขวายเจ้าขึนภาวะประกรรมฐานนั่สี่สิทธัสต์พระปีติทั้งห้าและอิปัชนาญาณทั้งก้าขอพระกรรมฐานนั่งสีส่สทัสพระปีติทั้งห้า ในพัฒนายาทั้งเก้าโยมมาบังเกิดรายกฎในกายเทวันในวจีเทวันในมโนเทวันขอข้ารู้ใจเจ้านาคารับัตินี้เถิดขอได้โปดยกกิ่งเข้าไเจ้าจุนสูภาวะแห่งเมขจิต สามารถกำหนดจิตรู้ภ า, ว, า, า ว, วะการต่างๆทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้ แล้วได้หินภาพนั้นได้ชัดเจนแข่มใสและพยากรณ์ได้วาำความเป็นจริงทุประการเหตุใจที่พึงมันเกิดแกข่ขบวิเจ้ า, าเพราะขบวเจ้าได้รู้เหตุนั้นโดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้จะรายการใดแห้การระบาดที่นี้เธิด ก็ต่อไปขบันดาญาโยงทุกบริษัททุกคนปฏิบัติตามมัธยสัยนะให้ใจรือว่าขั้นที่มาใหม่ให้ภาวนาว่าพุโทโนะให้ใจเข้านึกว่าพุทธ ใ, ใจออกนึกว่าโทแล้วก็ท่านญาโยงที่ปฏิบัติมาจากที่อื่นได้แล้วให้ปฏิบัติตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าการปฏิบัติกรรมฐานย่อมมีผลเสมอกันตอนนี้ไปเขาทุกท่านเริ่มปฏิบัติได้ ลมกรงอนฤติเป็นวันเดือนปีเกิดตรงกับของลูกวดีลูกก็อยากจะทำบุญทางกุศลกับหลวงพ่อเพื่อให้เกิดสีดมงคลเพราะหามยามร้ายก็จะได้หมดไปเพราะกับปีเก่าไม่ทราบว่าลูกควรจะเริ่มต้นแบบไหนได้อานิสง์มากที่สุดในกระบวนซอยสายลมนี้เจ้าข่าถวายช่าง โอช้านี้ได้มากเลยฮะใช่ใช่ใช่ช่ชโอ้บนที่มากที่สุดก็วิหารละทานวิหารทานนะลองมาก็สังฆทานนี่องอย่างอลองจัดนั่นก็จวายทานโดยตรงพระพุทธเจ้ากราวกล่ า, า <ๆ S 2> ก็เลือกเอาอะไรกันไหวทานโดยตรงพระเจ้าเราหาเจ้าเม่พบแล้วก็จะไหวสังฆทานกับวิหารทานโ อ, โอวิหารทานนี่เก่งกว่าสังฆทานนี่นะกรับกา แล้วก็พอดีลูกก็บังเอิญเกิดพร้อมกับรัชกาลที่หกทีนี้ก็นึกถึงท่านที่ทําความดีแก่ประเทศชาติเป็นอย่างมากอลูกจะทําแบบไหนที่จะอุทิศให้กับรัชกาลที่หกเป็นที่ถูกพระราชจารือไทยเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยก่อนนะเราจะเป็นเรื่งต้องถามให้ก่อนผมต้องไปถามรองทัานลาวที่หกท่านตอบไปยังไง ขอบอกให้แบกช่างไปทำ ม, มูลวัฒนสูงสองตัวแล้วเม่กี้ก็เป็นตัวแล้วางอะไรก็ได้ <c oughs> เอาทานใหญ่ก็คือสาทานกับวิหารทานคู่กันไปขอควบกันไปเลยนะครับมีมิหารทานไม่ไมีข้าวไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีข้าวกินมันก็แย่นีแข้าวกิๆๆๆไออนไนมะ่มีผ้านุ่งไม่มีไม่มีบ้านอยู่มันก็แย่าากใช่ครบ้วนต้องอพร้อมๆกันไปเลยนันนะครับอ กราบนมัส ก, การหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงโปรดด้วยช่วยลูกเถิดเจ้าค่ะเอาจะพ่อโอ้ยเออ น, นี่เรื่องเรื่องคนตายนะเดี๋ยวไม่ต้องบอกบอกนี่เลยเรื่องคนตายถามว่าจะได้บุญได้รับกุศลอย่างไรประการใดหรือไม่นี่หงพ่อเคยตอบแล้วนะใครไปฝึกมโนยติถามดูนะไม่งั้นเดี๋ยวก็ถามกันเยอะอ่าไมก็ผ่านไป กลาสมรสการหลวงพ่อที่กระรบอย่างสูงเอเมื่อสองวันก่อนนี้ตอนเช้ามืดลูกได้ฝันเห็นหลวงพ่อพายเรือบินจักรพในเรือหลวงพ่อมีเตาไฟอยู่ด้วยเตาหนึ่งกำลังติดลุกชนลูกสาดทาเลื่อมสายเลยเอาก็ดีถวายหลวงพ่อไปเออถูกใจถูกใจนั่นแหละกำลังจะต้มยําอหาปลาไม่ได้ขอติดเตาลูกหน้าดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ปลา ไม <ns S 2> ่เหมาะเลยลูกออกแปดกะดีกะก้าวอแปดเก้าครงเพลงเลยนี่ผออกแล้วเลยออกแล้วแปดเก้านพยายามจริงไม่อยากรู้ปากประตูถูกกัเป็นแถวเลยนั่นเลยแต่ยกทรงไม่ยักกะได้ยินหลวงพ่อพูดนะ แปดเก้าสบายลอยเด็กๆมันถูกไปก่อนเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ที่หลังนะครับีหน่าเหมนี่จนอ่านทีแรกลูกก็ถวายหลวงพ่อไปแค่ครึ่งวงกลมแล้วต่อมาก็ถวายไปอีกแต่ที่ลูกแปลกใจก็คือว่านิมิตที่หลวงพ่อปรากฏอย่างนี้จะเกี่ยวกับ ด้านธรรมะปฏิบัติของลูกอย่างไรหรือเปล่าหรือว่าต้องเอาปลากะดีจริงๆมาถวายเจ้าค่ะเ <laughs> จ้านี่ตลกไปปลากระดีพับได้ก็แล้วกันนะครันะปลากระดีประเภทพับได้ก็ดีเพราะก็ดีนี้มีหลายอย่างเลยครับได้หอย่างก็ดีแบบใหม่พับได้โอ้โห <laughs> ไม่เปลืองนาทีกันเลยก็ฝันเห็นพระครับเป็นมงคลใหญ่ครับ เห็นปลาก็เป็นบางคนเห็นน้ำก็เป็นบางคนเ็าสามมรรคโลกอะไรนะครับแถมคดีไม่ให้ต้มด้วยไม่สุกหมายที่ผลการปฏิบัติทาไปตามที่ปฏิบัติอยู่จะมีมรรคผลแน่นอนโอ้ครับปราข้าวหลวงพ่อที่บูชาอย่างยิ่งสูงลูกเอ๊ะอะไรยิ่งองไม่พอมีสูงอีกอาละสูงยิ่งมันซ้ำกับเขาเอาละ ลูกเคยตั้งใจจะบวชชีเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วก็ตั้งใจว่าสิบปีข้างหน้าจะบวชจริงๆโอ้นี่ตกลงเป็นยี่สิบปีเลยไงทเจ้านี่าหลังจากตั้งใจแล้วก็ไม่ได้บวชตามที่ตนเตั้งเพราะมีความจําเป็นระยะนี้ลูกฝันไม่ค่อยดีเลยคือชอบฝันเจ้าระเข้มาทําอันตรายลูกเสมอๆลูกก็เลยเปลี่ยนเป็นสังฆทานให้ก็ไม่มีผล ศีลรักษาภาวนาก็ปฏิบัติแต่ก็ไม่ยามมอโหสิให้จึงกลาบเรียนถามหลวงพ่อว่าการบนบุชีเป็นเหตุทำให้จระเข้ามาทำอันตรายอันตรายลูกในนิมิตด้วยหรือเปล่าเจ้าคะไม่ไม่เกี่ยวกันเลยแล้วไปคนละเรื่องเลยเห็นจระเข้น<ม>ี่ก็แปลพมหาเจถีจะจองตัวเนี่ยจระเข้เนี่ยเหรอใช่สิอ้าวทำไมเป็นงั้นไปได้เนาะ <laughs> ไม่รู้ รบรบแต่เขาเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยคราบครบเขาว่าแปลแปลผู้ใหญ่สนใจเรดีนี้อยม่นะยเลยเออรยรวยมากๆโจดีนี้เออก็ตกลงความจริงมาแทนที่จะเป็นร้ายกลับเป็นดีเงี้ยไม่ใช่ร้ายดีครับครับตังคืนน okay. yep. ี้ยกคงไปฝันบ้างเอาคืนคืนคืนได้ได้เส็ยใจกลาาพ้าหลวงพ่อที่กรบอย่างสูง กระผมขอคำแนะนำย่อยๆเกี่ยวกับการพิจารณาโลมปฏิโลมของกรรมฐานภาคปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กระผมสักหน่อยเถิดพอรับโลมปฏิโลมอะไรนี่ไม่เคยได้ยินเลยครับนี่ลมปฏิลมนิพพานายานครับไหน้าไปหลังวนไปวนมาโอ้เขาเรียกโลมปฏิโลมใช่ใช่ใช่เจอเป็นหนึ่งถึงสิกมา เราวนไปบนมาออนุโลมบดิลมฮะครับครครับตามลาดับเจ้านกลับอ้ย้รรบกลาบเท้าเจ้าคุณหลวงพ่อที่เขารกชั่วเดียวเดียวเดียวจัไม่ครบไรนะ เจี๋คุณลงพ่อลงพี่ลงตาลปู่นะฮว่าพอจะเรียบร้อยหมดเลยมารู้สึกลงพ่อเลยเยอะเยอะจังนะมันก็เรียกไม่ไม่มีปีที่แล้วมีปีเดียวที่เรียกลงตาแหละใช่แม่โชคดีจริงๆคนนั้นนี่มีลุงปู่มีลุงปู่หรอครับดีแล้วเรื่องแล้วนี่แสดงลงพ่อก็แก่แล้วใช่ไหมไม่แก่เลื่อนขึ้นตำแต่งสูงขึ้นโอยังไม่ยอมแก่ต้องพูดว่อายุมากนะ พูดอายุน้อยลงสาวว่ า, าไปที่กราบเท้าเจ้าคุณหลวงพ่อที่เคารพช่วยชีวิต <c oughs> แมมดีจริงๆเ <c oughs> มื่อก่อนแมวที่บ้านของลูกเป็นแมวที่อะไรมีใจเป็นกุศล <c oughs> เวลาสวดมนต์เป็นต้องมานั่งตักฟังทุกครั้งแต่ปัจจุบันนี้ชอบขี่รถหนังสือสวดมนต์ที่ล้ายไปกว่านั่นก็คือหนังสือต่อปัญหา เล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามมันฉี่รถหน้าปกมีภาพหลวงพ่อด้วยคู้นี่แมวฉี่รถหลวงพ่อซะแล้วที่เนี้ยลูกก็เลยมีความไม่สบายใจเลยจะเอาหนังสือที่แมวฉี่นั้นมาถวายเป็นสังฆทานเป็นการแก้อาถรรพ์เพื่อเป็นสิริมงคลวันปีใหม่ของลูกไม่ทราบหลวงพ่อจะรับด้วยหรือเปล่าท่านอารับเออท่านรับน่ะรับได้เจ้าชูของต้องรับด้วยนะ จะของรับอะไรพ่อไม่อย่างนี้นะคแมวเยี่ยวรถมันไม่เป็นบาปเจตนาของแมวไม่ไม่รูเรื่องใช่ไหมคราบครับเยี่ยวรถลูบฉันก็ดีแล้วมาอยู่ที่นั่นมันอาบน้ำโอ้ <c oughs> แมวสงสารกรับครับแต่ว่าของที่เราเห็นว่าไม่ดีเนี่ยจะไหวพระและถวายทานออต่อไปได้รับไอส้สงไม่ดีมันจะได้ อ, อต่อไปชาติหน้าจะอะไรก็ตามรับทุกอย่างมีเยี่ยวแมวหมด อู๋นี่เรื่องจริงนะคราบครับครับใจะไม่เล่นไปโอ้ยางนี้ใหยญ่จะถวายดีกว่าเลยนะใช่ใชเดี๋ยวชาติหน้าจะได้เหี่ยวแมวต่อบมาอย่างอาลีรเดเสฐีไหมค่ับเป็นยังไงถวายของดีให้ไม่ได้ต้องให้ธาตสถานของเลวที่กินนิชัยพอเกิดไปเป็นมหาเสถีผ้าเนื้อดีผ้าใหม่ลุ่มไม่ได้ต้องนุ่มผ้าเก่าข้าวที่เป็นตัวเป็นเม็ดดีกินไม่ได้จะกินข้าวหัก เ oh. น, นี่ยเป็นอาหารที่อร่อยๆข้ามั น, มนทุกเมื่อยากินไม่ได้ตัวเกี้ยอาหารเร็วครับ <Right. S 2> เพราะว่าเวลาให้ทานให้ของเรวกว่าที่โตกิน oh. ให้ผ้าใช้เร็วกว่าที่ตัวใช้ <Right. S 2> สำคัญ <Right. S 2> ทานมีสามอย่างคือหนึ่งท่าสะทานสองเสภาทานสามสามมีทานท <Right. S 2> ่าสทานให้ของเร็วกว่าที่เรากินเราใช้ สายทานให้ของเสมอก็ที่เราจินกันใช่สามีทานให้สามีเว่ทานได้ไม่ใช่เนี่ยเได้ยุ่งแล้วทานไม่ได้สามีทานให้ของที่ดีก็ที่เรากินกัใช่ขอบใจขอบใจอ๋อเอสามีนี่หมายถึงว่าให้ของที่ดีกว่ากันนี่กว่าสามีเป็นวันนายอ่ะนายเลเวสูงกว่าหลานพี่แจ๊คอนี้ตกลงเรื่องการประวัติของพระนี่ก็ก็ต้องรอบครอบนิดหน่อยก็คือว่าของไม่เคยมีพระสงมันได้สนอง ก็ต้องคิดขึนตัวเราเองในการขั้งหน้าใช่ไหมนอเดี๋ยวใครใครเขาได้ของที่ผมหอมแล้วได้ของเบลนเยี่ยวแมวไงโอ้โหครับครับเพราะนั้นก็ใครเปลี่ยนใจซะเอาเก็บไว้ดีกว่าใช่ใช่กราพ้าหลวงพ่อที่ปรรพบยอดสูงดิฉันอยู่กินกษามีมาประมาณสามสิบปีเสร็จแล้วด้วยอาการสงบสุขโดยปกติชอบไปสนามหลวงผ่านพระนางแม่ธรณีอยู่เสมอ เมื่อไม่เลวเมื่อเร็วๆนี้ไปไหว้ท่านขากลับมาก็ปรากฏว่าสามีกับลูกทะเลาะ ก, กันเป็นการใหญ่แล้วก็ปรากฏว่าเข้ากันไม่ได้เลยลูกแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้นึกจะหนีเข้าฝาก็รลัวว่าจะอดจากจะไปอยู่วัดท่าทุงก็กลัวลำบากกลงพ่อจะไปตายแท้ไม่รู้เรื่องรู้ล่อก็เป็นห่วงลู ก, ยก อ, อย่าไตายแล้วโงให้ใจไม่ออก <laughs> นั่นแหะสิ ก็เ่อไปเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นจะนี่ก็นึกว่าในฐานะลูกไปลูกศิษย์หลวงพ่อก็จะต้องพึ่งบา ร, รมีสักครั้งหนึ่งขอหลวงพ่อได้โปรดแนะนำความทุกข์ระทมของคืนของลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะแนะนำให้ทุกต่อไปอั่นเลยเอเอก็แปลกนะสามสิบปีอยู่กัานไมาได้ยังไงสามสิบปีเขาไม่ได้ทะเลาะ ก, กันเนี่ยอ๋อ ก็เขาเลยเก็บไปตัวทะเลาะไว้กับหมมใบมันทะเลาะกันตอนนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับ น, นางธรณีทําอะไรนะพ่อไม่รู้ทีเพราะฉะนั้นไม่รู้เรื่อง น, นี้ต้องไปถามนางธรณีกรับเอไอไปถามท่านนะอเอางี้แล้วกันยังไงก็จริงจะไปสูบกัรมหลวงพ่อเฉยๆไ้ก่อนสังขารุปริข้ายานวางเฉยไว้อดทนหน่อยไม่ช่งก็หมดไปกรรมที่เบากุศลเล็กน้อยมันเข้ามาสนองไม่ช่งมัสลายตัวไม่กี่วันรล้วพอปีใหม่ไห้เมาก็ใช้ได้ไ เดีก๋กระถรรษก็ส่งท้ายปีเก่าไปกัทธรรษรับปีใหม่ที่ันหมดเรื่องหมดราวครับครับครับแต่้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงโดยปกติแล้วลูกจะมีอารมณ์พรหมวิหารสี่อยู่เป็นประจำตามคําแนะนําที่หลวงพ่อไปกลางถนนโน้นทางเจอแมวหมาเอามาเลี้ยงเป็นการใหญ่ปัจจุบันนี้อา น, นิสงส์เกินโคตา้ามันออกลูกเป็นอย่างมากที่แรกตั้งใจจะไปปล่อยวัดก็เกรงบาป จะไปปล่อยไว้กลางทางก็กลัวอดอยากจะเก็บไว้ก็ลาบากเลยคิดว่าจะตอนแมวตัวเมียเพื่อป้องกันการสืบพันธุ์ต่อไปในฐานะที่ลูกตั้งใจจะไปนิพพานชาตินี้ก่อนจะไปนิพพานจะมีบาปมีกรรมล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าจะสาไม่เป็นไรแล้วดีที่ตอนแมวตัวเมียนะคนจะตอนจะพูดด้วยอจะได้ตอนกินเลสของเราด้วยเอาตอนเขานี่ตอนเราเออด้วยใช่กิเลสไร้ต้นไมอไไงอกงาม เพราะอะไรไหมครับเพราะอะไรพ่อมีแมวมากมีหมามากเกิดความคัญกิเลกก็งามกิเลสพิโทสัทโอ้หนี่ตอนตอนฉันลูกมันก็ม่อยมากแมวหมาลูกไปมากใช่ไหมครับครัพโทสาก็เท่าเดิมอ้อไอ้ลูกอยา่ยองพ่อในที่ที่วัดมีใช่ว่าเป็นร้อย้อยตัวใชไหมใช่เฉพาะของฉันตัวต้นจริงๆมันสองตัวนะออตัวที่เขได้ในในที่ล้อมนะในที่ในรั้วครับ ถ้าหากมันไม่ตายเลยเกือบสองร้อยแล้วเวลานี้ก็จะร้อยแต่มันรอมันตายตายจนเกือเดี๋ยวจะเกือบร้อยปาบปต้องใช้เด็กเด็กนักเรียนประจำช่วยเลี้ยงมีเด็กนักเรียนสิบคนกว่าอู้หลวงพ่อไม่ไม่เคยลาคาญอะไรเลยนะไม่ําคาญที่เก ล, ล็ดลำคานมันได้ไหมเอ๊ะอย่างนี้อย่างนี้ก็คนนี้ก็น่าจะปฏิบัติตามหลวงพ่อใช่มันแสดงมาทุกวันลาคาญอะไรนะ มันก็แสดงซ้ำๆสักๆคงเฮงคงเฮงทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างกลาวกาวกล่าวกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงปัจจุบันมโนของลูกสว่างสวัยทัดเจนแจ่มใสตามความเป็นจริงดีแล้วเกินเจ้าข่าแต่อ่ไม่เป็นไรแต่ไปแต่มาแต่ถ้าแต่ก็แห่ใหญ่มานะแต่ว่าเวลาลูกปลุมจิตทุกใจสิ เมื่อรายได้ไม่พอกระยจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังมันทำท่าจะไม่ค่อยสว่างเสแล้วในฐานะที่คนกำลังทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องรายรับไม่พอกระยจ่ายอย่างนี้หลวงพ่อว่าลูกควรจะใช้อารมณ์แบบไหนสกัดกั้นเพื่อไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นอีกต่อไปเจ้าค่ะกั้นทุกข์ไป้หนไม่กั้นไม่อยู่ทุกข์ได้กั้นยากนะครับก็ฉันยังทุกข์เลย แล้ ว, วต้นฉ บ, บับยังเป็นเลยพรนะพุทธเจ้าจึงกระทุงงกงสกกะป่วยเป็นเห็นไหมแล่วครับครับด้วยการเติมตอนทุกข์ถือการอดทนดิต้องถือธรรมดาไปนะครับครับอันนี้มันแนะนำได้แต่ปฏิบัติยากถ้าจะตัดใจให้ใหไม่ไม่กลุ้มเพราะทุกข์จริงๆต้องเป็นพระอรหรันต์ลำบาก ให้พูดนะพูดได้เต็มันทำยากเลียว่าพูดได้ประคำไากก็ถือว่าบททุกข์ต่อสู้ไปถือว่ธรรมดาไปอย่างนี้ก็แล้วกันค่อยๆคิดไปนะครับครค่อยเป็นค่อยไปให้จะดีไปเองกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงเด็กชายพลเดชพลเดชสิทธิ์สินทุพันธ์เดชาแกออกกำลังกายซ้อมวิ่งเพื่อจะไปแข่งขัน สลบสลัยไปปัจจุบันนี้ก็ยังแก้ไม่ตกไม่หายไปถามพระเกลียงศักดิ์ลูกโขนอรุณตรวจดวงแล้วบอกว่าชะตายังไม่ถึงคาดแกจะต้องมีโอกาสกลับฟื้นแน่บอกว่ า, าให้ไปเรียนถามหลวงพ่อว่าจะทำบุญทำกุศลแบบไหนประการใดจึงจะช่วยสงเคราะห์เด็กคนนี้ได้เจ้าค่ะซื้อปั้มลม พอพุกสลบสลายเนี่ยใช้ปั๊มเนี่ยใช้ใจออกเนี่ยค่ะค่ะอันนี้ตอบไม่ได้เนี่ยสงสัยเปกดแห่งกรรมเข้ามาเนี่ยเป็นกฏแงกรรมเล็กน้อยไม่เป็นไรนี่ปล่อยไปก่อนรักษาไปก่อนตามเพื่อให้หมอรักษาไปครับครับถึงจังหวะก็ฟื้นเองอ๋อมันก็ต้องมีอาเขตจังหวะเหมือนกันนะนึกว่าจะถวายสังอ๋อเคยเจ้เสียเพคะเสียตังในที่ครับกราบครับถ้าําเป็นลงเป้าเขาเสียเงินมันยุ่งน่ะพระครับครับ แต่จะไปหาหาหมอดูก็มีหวังลนโลนไหลไหลตันเลยนะสอดเคราะกราฝงสอดเคราะห์สอดเคราะเวลานี้ก็ไม่น่าก็ไม่น่าแค่สองสามหมื่นระเบ่าโอ้ยนี่ขนาดเบาๆนะระเบานะฝังตนแล้แหลเรียกทีหากว่านุ่งนั่งเบ้นไปก็ต้องคิดแล้วแล้วกอเคราะหนี่ดูต้องต้องดูอสอดเคราะก็ดูตามรถ แต่นนั่งรถบีอัพไปก็ถูกหน่อยแต่ขึ้นรถตุ๊กๆไปก็ถูกอีนิดหนึงเดินไปถูกมากหน่อยชุดผ้าคาดถูกอีน่อยเอ้ยยี่เวลาจะไปสะดอกเคราะก็ต้องพยายามแต่งชุดเองสิโกโลโกโสน่อยเออเนี้ยนันก็ช่วยหน่อยครับคแต่ถ้าไปถว่ตถ้าสุงแล้วยังไงยังไงก็เคราะไม่มีแน่นะเปต่ว่าถ้าสุงมีเคราะเท่ากันหมดโอ้แต่แต่ตัวสวยไม่สวยเคราะ์เท่ากันหมดครับครับ กราเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกระผมได้ไปทำบุญที่จังหวัดอายุทยาขากรับปรากรดว่าถูกรถชนพักพวกอีกสามคนอาการสาหัสทุกคนตั้งใจไปด้วยจิตเป็นกุศลแต่ทำไมหนอแลขากรับจึงได้รับอกุศลเป็นผลสนองตอบบุญกุศลที่ลูกทำไปทำไมไม่มาช่วยในตอนนั้นขอรับนี่สิเป็นจริงนะหวงบุญแล้วเจ้านี้ แปลกจริงๆเพราะพระุทธเจ้าก็แนะนำบุญคนอื่นครับเพราะพุทธเจ้าก็ป่วยเียอ่านี่ๆี่นีนน่าลืมว่าพระโมคลาเป็นหันไปสมิธายา น, นะมีฤทธิ์มากก็ถูกโจรทุกล<ะ>กดค้องกรรมเดิมทำไมไม่คิดล่ะชำระนี่มันไปเสียเห<ะ>็นไหมมันไปกดกรรมเก่ากรรมช่ายก่อน<ะ>ทำไว้ก่อนบุญที่ทามันซื้อนี่มันมาตามทัน อ๋อตอนน่ะบุญก็เป็นบุญนะใช่บุญก็บุญบาปก็บาปอ๋อใช้ก็ใช้อย่างลุงพ่อนี่ดีอย่างไม่่อยป่วยเขานะไม่ค่อยป่วยครับฉันไม่ไม่ค่อยป่วยเพราะฉันป่วยหนักเรื่องป่วย่ค่อยไม่มีกันยไม่ค่อยอ๋อคือขึ้นไปก็ยุ่งเลยครับอ๋อทั้งไข้ทั้งปวดท้องเสียท้องเราก็ยุ่งหมเป็นอะไรอ๋อกรณีว่าใช้เห็นหน้าลูกเห็นหน้าหลานหายแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้อกลับหมดอาจจะเป็นใหม่ก็ได้อ๋อ Oh, wow. ตาเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกนั่งสมาธิเห็นพระแก้วมรกตสว่างสไบไปอย่างมากมองดูแล้วคล้ายๆกับว่าภายในจะมีพระบรมสารีริกธาตุลูกทําสมาธิแห่งลงไปที่พระบรมสารีริกธาตุนั้นเพื่อต้องการอยากจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นอีกตอนนี้เองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปรากฏว่านั่งแล้วไม่เห็นอะไรเลยเจ้าค่ะ <laughs> ใช่ใช่ไอ้ น, นี้ เอาใช้ได้หรอครับใช้ได้อย่างนี้แสดงว่าลูกปลามาดพระตตนณใจหรือเปล่าเจ้าะไม่ใช่ปลามาดทำถูกต้องแล้วทำถูกมืดเลยนะพ่อก็มืดติดอามณเครยเกินไปตั้งใจดูตั้งใจรู้แล้วมาเจ้งทุกรายและต้องใช้อะทำลมสบายๆเบาๆก็รู้หมดจรับต้องตั้งเปงเอาให้แน่เดเจ๊งผัง เอาใหม่เอาหม่ที่เรียกว่าวิปัสนาเป็นบ้าเป็นหลังก็เพราะใช่ใช่ใช่อย่างนั้นก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่เอาแค่ที่ตนเคยรู้มาเก่าทำอารมณ์แค่ไหนรู้ได้แค่อารมณ์แค่นั้นอันนี้เครียดไปต้องใช้แบบนี้เริ่มต้นใหม่เบาๆนะครับครับไม่น่าหรอกพ่อจึงเบาๆไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรครับให้ปัญหาไม่จ๊ะ ที่นีไม่อยากจะโดนเป็ปหาป่วยแค่ไหนก็มีปัญหาเลยนะเรื่องเล็กๆก็จากท้าวหลวงพ่อที่กรบลูกมีความข้องใจเป็นอย่างมากที่ปรากฏว่าลูกได้ซื้อบ้านสำเร็จลูกไว้หลังหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยตกลงก็ซื้อมาแล้วแล้วก็อยู่แล้วปัญหาก็มีอยู่ว่า บางเอิญก็ทำห้องช่วงไว้กลางบ้านพอดีแล้วก็หันหน้าออกไปทางหน้าบ้านเสียด้วยมีคนมาติหลายคนว่าไม่ดีเป็นอัปมงคลแต่แก้ไขอย่างไรก็ไม่ได้ลูกจึงอยากจะเรียนถามว่าที่วัดหลวงพ่อมีน้ำมนต์พอที่จะไปปราบพรมแก้ให้เป็นสิริมงคลบ้างหรือเปล่าเจ้าคะอันนี้น้ำมนต์พิเศษเป็นแพงนะโอวีราคาเลยเหรอครับใช่รนะัพิเศษควจริงช่วงกลางบ้านให้เป็นมหามงคลนะ มหาเลยหรือเขาใช่มาคนใหญ่มากคือว่าคนในบ้านจะไม่ทะเลาะกันออเองนอนใกล้ส้วมเดินสะดวกเองนอนใกล้ส้วมเดินไม่สะดวกไม่ตังเกกันเรื่องนี้อต่างคนต่างมาเสมอการเดินทางเท่ากันแต่ความจริงไม่มีอะไรเป็นภัยนะอย่าไปเชื่อเขาเลยเชื่ต่างเปล่าดีไม่ดีไปเช่อเอาหวอดูเข้าจะยุ่งครับครับคก็ไม่มีอะไรเป็นภัยไม่มีอะไรนะ สะดวกซะอีกอไมต้งไปเลยกระซ่วนบอกสะดวกเดินทางเท่ากันนะยังเขายุติธรรมดีกรับนะครักราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอลูกได้ฝันเห็นชายหาดเมืองไทยกลายเป็นทรายเม็ดทองคําเต็มไปหมดเอาแล้วแทะอ่ะเอาแล้วเอาแล้วนะพระพิชิตครับครับแถมยังมีคนเอาทรายนั้นมาหลอมหล่อตีเป็นแผ่นทองคําหนาเบอร์เริ่มก็ ประชาชนรู้สึกแต่งตัวสวยงามเป็นอย่างมากลูกนึกว่าอนาคตของเบองไทยต่อไปในพศ32จะดีขึ้นกว่าเก่าหรือเปล่าครับ พศสามสองจะมากกว่าพศสามหนึ่งหนึ่งแต้มไปสูตรโน้นเลยโอ้มากกว่าหนึ่งแต้มมากกว่าหนึ่งแต้มออยังพอทันที่แล้วเสียท่าไลโอ้โถ่ที่มันฝันนะคราบครับแต่ความจริงทองคําในประเทศไทยเรามีเยอะโอจริงๆก็มีมากมายเลยนะมีมาก แต่ว่าฉันก็ขี้เกียจไปดูพอไปดูพบเข้าพระเจ้าจะห้ามพูดอยังเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ที่จะทันมังสือเล่มสี่กับเล่มห้าเนี่ยครับหลวงพ่อไม่ต้องพูดพ่อเล่าแล้วกันไม่ต้องพูดอันนี้ก็ไม่เล่าทางปลารบเฉยเฉยโอปลาลบพูดก็ไปพูดเล่าไปเล่าปลารบใครว่าไรแล้วปลาลบใช่สีอู้ใดอย่างข้าบล่าบ เราเรื่องไม่เป็นองนี้คือว่าทีแรกคิดว่าเราไปเที่ยว ต, ต, ต่างจังหวัดต่างๆดีกว่านะเราเอาเรื่องราวของจังหวัดใน น, นั้นใต้ดินมาคุยกันโอ้พระเพิ่บอกดีครับปุริรู้บ้างเราเริ่มต้นเข้าไปเปล่าไทยเ ร, รเจอแร่ยูเรเนียมเยอะเอ้ยนี่ดีมากนี<อ>่สามชัยเกรดดีด้วยเราไปเจอแรกแร่ต่างๆก็มีมากแต่ว่าไม่ไม่สนใจราคามันถูกใช่ไหครับลาพอจะ เ, จเลิก เขาตนจะกลับก็หันไปดูมุมหนึ่งอรัยธรรมเพอหนึ่งมันมีแร่ทองคำโอ้ทองคําธรรมชาติไม่ใช่แร่จนทะลุนะาเป็นทองคํำธรรมชาติเลยนะอ๋อสําเร็จรูปเลยก็เลยคิดว่าไอ้ทองคาธรรมชาตินั้นมันมากดูมีปริมาณสูงไหมขา้าวเสึกว่าสูงมากอดูลึกลงไปมันมีหนาในดินมากนะกราครับก็เลยคิดว่าเราดีเราจะสํารวจให้หมดเอามาเขียนให้ลูกหลานอ่านดี ก, กว่า อพอดีพระมาเลยครับบอกไอ้นี่ห้ามเรื่องทองคำาองชาติเนีห้ามพูดเด็ดขาดออข้ออะไรไหมครับครับเพรา ะ, ะ, ะว่าการเวลามันไม่ถึงถ้าพูดไปเขาคิดมันจะเพึงได้<อ>ถ้าเขาไม่ขุดเขาไปเจาะเขาทำไม่ได้เขาจะด่าเอาและ้ะวละจถึงว่าด่าพระอ๋อใช่ครับครับก็เลยไม่สนใจพอจะเลิกกวาดไปตาไปใหม่เจออีอสี่เจออีสองจุด ไม่สนใจแล้ว่สใจป่าเฉยๆได้อีกสองต่อ้ใจถ้าเป็นเหมือนก็รู้สึกมากเลยคิดไม่ถึงครับนี่แค่อุทัยธานีใช่แค่เป่าไทยก็เลยย่องเข้าป่าเดียวไม่ไปป่าไหนอีกอ่ะก็เลยคิดว่าเราก็จะคุยกับผีเทวดาต่อไปด้วยเริ่มห้าคุยกับผีเุยกับเทวดานะนี่เป็นเริ่มสี่แล้วเร่มห้าเริห ครับคับ้วก็คุยไปคุยมาก็ไปเจอทองคำที่ก็ฝังให้พูดได้อ้นี่พูดได้นะเพราะว่ามันมีจริงถ้าใครเคยไม่เอาก็เป็นผิวเ้าเฝ้าทองโอ้โหไครับๆแล้วก็อยากจะไปพูดถึงอีกเขาหนึ่งที่สระบรุรบีครับมันยังไม่ถึงตอนนั้นจะเป็นเล่มหกเล่มเกียรโอ้โหที่สระบุรีมันมีทอสามจุดหรือว่าไม่ใช่ทองคาธรรมชาติ เป็นทองสําเร็จรูปที่ก็หล่อแล้วเป็นทองแท่งท้องจากคลังประเทศใดประเทศหนึ่งโอ้โหเอาไว้สามจุดเออหลวงพ่อปาร็อบว่าอยู่ตรงภูเขาไหนได้เปล่าก็ภูเขาลูกนี้มันอยู่นี่นะจะบอกให้ฟังบอกพอชี้จุดเลยก็ได้ฝากฝากฝากบอกได้เลยมันอยู่กลางฝั่งทะเลโอ้แห่ตัวายวบุกมลาเลยนั่นก็อยากโลก ภูนี่แสดงว่าเมืองไทยเป็นมหาเศรษฐีเลยเยอะทองคำทำไมใช่ก็เยอะแต่ที่ไอ้ทองสำเร็จรูปี่มีมากแต่สำเร็จรูปเขาไมีเจ้าของแต่ที่ตรงนี้ฉันยังไปไม่ถึงนะฉันเดินยืนอยู่ที่ชนะ ก, กวาดตาไปดู<อ> <im it> เห็นผีไอ้ตัวเตี้ยมันมีสิบตัว<อ>ที่เขาเาทองไปฝังแล้วก็ทําฮาราจิรีข้าวทองเข<อ>้าไปก็ต้องต่อสู้แล้วจะไม่เอาด้วย ครับคบแม้พุ่มครับอยากใจเขียนให้คนนี้ไปขุดกันคราบครับอยากบ่นมาจนนับคราบครับพอดีผีมันเลยบอกเอ้ยอยากรวยแล้วไม่เป็นไรไม่เรครอยาไปเกิดองอยู่นี่แทนเป้าท้องเถอะไปเลยไม่อยากได้เล ย, ย่ี้แบบไปเป้าทองนะทำไมอ๋อตกลงว่านี่ขนาดปลาเราไปฟังแค่จุดสองจุดนะฮะใช่ยังไม่ถึงนี่มองดูจากเชยนาดไปเห็นเข้ามันยังมีหลายจุดเยอะ ในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าวาระมันไม่ถึงก็แถมก็ว่าอย่างทองคําธรรมชาติเนี่ยอย่างทองคํานี้มีเจ้าของแล้วไม่พูดถึงใช่ไหมครับครับเพราะทองคํามีเจ้าของทําไงก็เอาไม่ได้ต้องเจ้าของเข้ามาเพราะเทวดาเข้าษาไม่ย อ, อมหรอก่เพราะเจ้าของต้องลงมาเกิดก่อนใช่ไหมใช่ใช<อ>่ก็มีเทวดาเข้ากษาไปอยู่เทวดาจึงจะต้องหมอดใช่ไหมแล้วเมืสิทธิ์ก็ไม่ได้ตายแน่ แบบนี้เราอย่างนีผมอ้างว่าผมเป็นญาติกับคนที่ตายก็ไม่เป็นไรเราบอกว่าเราจะตายแทนเขาจะเฝ้าทองก็หมดเรื่องของเราเอาดีกว่าโอ้โหยากนั่นนะไม่ใช่ของเราเราเอาไม่ได้ก็ไม่ยากครับมันก็ไม่ยากถ้าเราอยากได้ทองนะครับครับเราก็ไป็ผีเฝ้าทรัพย์แล้วก็ได้ทั้งหมดก็ไม่มีโอกาสมาต่อยต่อยอยู่ในที่นี้อีกนะไว้ต่อโทรมาได้ เขานี่ยเมืนเขาประชุมเราโผล่พรพรตนี่ยกทรงมาแล้วเว้ยแม่ทุกคนห้ามลุกถ้าลุกจะบีบคอไปเอาแกงไก่มาคุณจะกินแกงไก่แ่รับรองเดือดไก่ก้าวไก่ได้เลตัวโอ้ยหวยอะไรไม่รู้ออกอไอ้เสก้าวจะออกมาจ้ำเลยทางรัฐบาลทงคิแม่ไก่ก้าวแม่ขอบคุณด้วยก้าวกว ยาไปใช้นี่งวดที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอแถมนิดเดียวได้ยินหลวงพ่อว่าอะไรคืนนี้หมายถึงวันที่สามเบ็ดเนี่ยบอกว่าอะไรให้นั่งหน้าห้าทุ่มสี่ห้าห้าอะไรห้าสีห้าโอ้โหี่พูดผิด ม, มันต้อง4อาสี่ห้าห้าสี่ีห้าห้ามันมันออกห้าห้าวันนี้พอดีเลยเ อ, อ๋อห้าห้าขา้าห้าออกวันนี้นี่ ก็เหลือสี่ห้ามั้งเหลือสี่ห้าครับคบงดสารพั <c oughs> ที่บอกว่าอะไรนั่งหน้าพระพุทธรูปอ๋อร้อยฝันมันอ๋อร <100 S 1> ้อยจะฝันยังฝันเข้ามาไปอยากรวยแบบนี้ที่ครับห้าทุ่มฉีดเป็นห้านาทีใกล้ๆยังหกทุ่ม อ, อย่างไรแล้วก็ไปนั่งหน้าพระพุทธรูปปูชาระชแลถึงพระพุทธเจ้าพระปเจพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหมด เทวดาพระพรทั้งหมดครูบาอาจารย์พวกมีคุณสมบัติโบราณท่านขอลาบก็ขอให้ความสวยทั้งหมดความยากจนและความสวยจะไปกับปีเก่าและก็ความร่ํารวยกับความดีโชคดีมาปีใหม่หลังจากนั้นก็นำภาวนาคาถางินลานเรื่อยๆไปพอตีเป้งวันใหม่มาถึงวาความสวยสลายตัวไปกับปีเก<อ>่าฉันต้องการความรวยจากปีใหม่พ่อพูดกับฝันงั้นเหรอใช่ แล้วก็ลูกๆทั้งหลายที่มานั่งไม่ใช่ฝันนี้่จะเอาไปทําได้ไหมครับเขาคนก็นมีฝันนะแล้วก้มหัวคนไหนไม่มีฝันไม่ทําไม่ได้นะโออโหนี่ตกลงคืนนี้ก็ลูกหลายก็เอาไปปฏิบัติได้เลยนะพวกนี้อย่าลืมมานั่งยืนร่างหลับใช่ไหมหนั่งหลับสะพนงอย่างน้อยต้องหกทุ่มไปแล้วจะได้นอนกัด้วยนะใช่ใช่จริงไม่ต้องรอเด็กก็ได้ ครับคไปถึงวัดถึงบ้านก่อนนั่งบูชาสถาบันสถาบันที่บูชาพระภาวนาตะคิดก็ตั้งคิดว่าขอความยากจนและความซวยสลายไปกับปีเก่าเพื<ม>่อความดีความร่ํารวยความมีสุขมากระปีใหม่ลองภาวนาถางเงินล้านหลับไปเลยนะอครับครับไม่ต้องทรมานแบบนั้นนะครับครับไอ้นี้ก็แปลว่าส่งท้ายปีเก่าของหลวงพ่อของฝันที่ดีสุดก็คือว่าให้ไปนั่งภาวนาอะไรความซวยจงหมดไป ความร่ำรวยยิ่งใหญ่ทง่ตามมาด้วยสถานเดินลากเอาละคืนนี้เอาแน่เอาแน่ะนะครับอดหลับทักหน่อยก็ไม่เป็นไรจะ ไ, ได้ทุนคืนเอาละครับสุขควรแก่เวลา